ตาสมาติหะขะหาปฏิเอวังสิกิตตับพังกินติมะยังกาเลนะกาลังปวิเวกังปีติงอุปสัมปัชชะวิหริยามาติเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าพวกเราพึ่งเข้าถึงปีติอันเกิดแต่วิเวกอยู่ตามการอันควร ด้วยอุบายอย่างไรในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อตรมูฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะในตกวนก า, ารเป็นช่วงของจิตะวิเวทที่เราจะมาฝึกทำจิตใจให้มีความสงบกันสักหนึ่งชั่วโมตงตมูฟัง ปฏิบัติกันไปพร้อมกันทางรายการวิทยุทางระบบพอดแคสต์นี่แหละให้จิตเรานั้นเข้าถึงความวิเวกความวิเวกมี3มอย่างเราจะเอาจิตตวิเวกคือมีความวิเวกทางกายความวิเวกทางจิตแล้วก็ความวิเวกในการหลีกออกคือกายวิเวกจิตตวิเวกและ อุปติวิเวเราจะทำจิตให้มีความวิเวมีความสงบทำได้ท่านผู้ฟัง ด, ด้วยอุบายบางอย่างถ้าเราเคยเป็นผู้ที่ให้ทานเคยเป็นผู้ที่รักษาศีลจะมีอุบายบางอย่างที่สามารถจะทำจิตเราให้สงบได้แต่ท่านผู้ฟังจะคิดว่าโอ้ฉันให้ทานใส่บาตร ไปวัดฟังทำบ้างก็เท่านี้ลหละไม่ควรพอใจแต่เพียงเท่านั้นควรทำการสำเนีกไว้ด้วยสำเนีกนี่หมายถึงทำการศึกษาฝึกฝนคิดหาหนทางดูว่ามันจะทำได้อย่างไรในเรื่องที่ให้เข้าถึงปีติอันเกิดจากความวิเวกตามการอันควรตนว่า ข้อความนี้เป็นข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับอนาถปิณฑิกาเศรษฐีเศรษฐีนี้เป็นคนที่ให้ทานดีมากเป็นเลิศในการให้ทานให้ทานแล้วก็เกรงใจพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งแต่ละครั้งไม่เคยถามปัญหาไม่เคยถามข้อสงสัยข้องใจในธรรมะอันใดนหนึ่งเลยจนทุกครั้งทุกครั้งพระพุทธเจ้า ้องเทศให้ฟังแล้วก็มีในวาระหนึ่งที่บอกว่าต้องฝึกภาวนาด้วยนะต้องฝึกทำจิตให้มีความสงบด้วยนะจะมาให้ทานอย่างเดียวไม่ได้นะจะทำอย่างไรด้วยบายเช่นใดตามเวลาอันสมควรจุดไหนจุดไหนถึงจะทำจิตให้มีความวิเวก ทนใจออกมากปีติที่เกิดจากความวิเวกปีติหมายถึงความอิ่มเอิบใจความสบายใจคุณจะสบายใจด้วยความอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวชิ ว, ชวๆนี่ได้ไหมบางคนนี่พอนิ่งๆเบื่อละเบือ่อหรือบางทีในที่ประชุมโต๊กกินข้าวไม่มีใครพูดอะไรกันเลย นั่งอยู่สองสามคนเงียบๆนี่โอ้คิดว่าเป็นบรรยากาศมาคู่มันทำไมเงียบแบบว่าไม่มีความสงบในภายในเลยเงียบแบบโอ้ยบรรยากาศกระ ก, กระวนสแสดงว่ายังไม่มีอุบายรู้ฝังวันนี้เราจะมาหาอุบายอุบายนยมันมีอยู่มีแล้วเอามาใช้ให้เกิดผล เป็นความวิเวกได้ไหมอุบายที่เราจะใช้ในที่นี้คือลมหายใจทุงฝั ง, งเราจะใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือที่จะหาความวิเวกในจิตของเราให้เข้าถึงความอิ่มเอิบใจความสบายใจที่อยู่ในภายในเริ่มต้นเรามาสังเกตดูลมหายใจของเรา ลมหายใจอยู่ตรงไหนมันไม่ได้เป็นตัวๆมันไม่ได้เป็นก้อนมองเห็นไม่ได้โดยตาเปล่าและมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆด้วยมันมีการเคลื่อนไหวไปมาตามจังหวะของมันให้เราสังเกตดูลองหายใจแรงๆสักสองสามครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมในโพรงจมูกได้านะที่ตำแหน่งไหน ให้เอาจิตขอเราตั้งไวนะ้ณที่ตำแหน่งนั้นคำว่าเอาจิตตั้งไว้หมายถึงเ้ามาจดจอ่อใส่ใจสังเกตดูณนะที่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ต้องสังเกตตามลมเข้าตามลมออกแต่ให้ดูรู้อยู่ณนะที่ตาแหน่งเดียวเราจะทำจิตให้มีความวิเวก จะทำกายให้มีความวิเวกเราไม่ต้องบังคับลมแต่ให้มีการควบคุมไว้ขอสมควรควบคุมกายของเราให้ใหายใจอย่างเป็นปกติธรรมดาควบคุมกายของเราให้มันไปอยู่ในที่ที่มันเจอไม่ได้มีใครรบกวนมาพบปะพูดคุยอยู่เรื่อยควบคุมจิตของเราให้ไม่ได้ว่าจะต้องคิดหรือไม่คิด แต่ควบคุมให้มันพอสังเกตอยู่กับลมหายใจได้ซึ่งการควบคุมกับการบังคับนี่ไม่เหมือนกันท่าผู้ฟังถ้าเราจะบังคับกายก็คือบังคับลมหรือเกรงร่างกายเกรงกล้ามเนื้อเกรงไหลเกรงหลังอันนี้นี่คือบังคับแต่ไม่ต้องบังคับแต่มีการควบคุมโดยการที่มาสังเกตอยู่กับลมไม่ต้องบังคับว่าให้สั้นให้ยาว แต่ควบคุมพอที่ว่ามันจะอยู่ในสถานที่สงัดได้บ้างควบคุมพอที่จะให้ลมนั้นเป็นไปอย่างธรรมชาติจิตใจไม่ต้องบังคับความคิดเพราะถ้าบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวว่าต้องคิดหรือไม่คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าให้มีการควบคุมโดยการให้มาสังเกตยอยู่ลนหายใจ ควบคุมกับบังคับไม่เหมือนกันความพยายามที่เราจะควบคุมจิตความพยายามเนี้ยมันคือสัมมาวายมะความที่เราจะควบคุมก็เริ่มจากการสังเกตก่อนการมาสังเกตจิตใจเริ่มจากลมก็เรียกว่าเป็นการตั้งสติขึ้นโดยใช้สัมมาสติคือลมหายใจเป็นเครื่องมือสัมมาวายมะสัมมาสติ ก็เกิดขึ้นหลาดูฝังเพียงแค่เรามาสังเกตลมหายใจสัมมาวายามะสัมมาสติก็เกิดขึ้นทำไม้เป็นธรรมชาติเวลาเราสังเกตลมหายใจแล้วดูฝังอย่าไปคิดนะว่าโอ้ยมันจะต้องไม่มีความคิดเลยหรืออย่าไปคิดร่างกายมันจะต้องไม่ปวดอะไรเลยไม่ต้องคิดเลยคือฟันตรงให้ได้ว่าถ้ามันจะปวดนะเดี๋ยวมันก็ปวดแน่ แล้วถ้ามันจะมีความคิดนะเดี๋ยวมันมาแน่ความคิดยังไงมันเป็นเรื่องของธรรมารมถ้ามีเหตุเกิดเดี๋ยวธรรมารมมาแน่ร่างกายมันจะปวดมันจะเจ็บตรงไหนมันก็เป็นเรื่องของเซลเรื่องของอวัยวะถ้ามีเหตุแล้วมันปวดแน่มันเจ็บแน่เสียงก็เหมือนกันบางคนจะคิดว่าโอ้ฉันดูโลหมใจแล้วหูต้องดับไปเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย หูมันก็เสียงใช่ไหมแล้วถ้ามันมีแหล่งกําเนิดเสียงแล้วมันมีหูเดี๋ยวมันได้ยินแน่กลิ่นก็เหมือนกัรอากาศร้อนอากาศเย็นยังรวมถึงถ้าเราออกกําลังกายอยู่กับรถอยู่ลืมตาอยู่เราก็ได้เห็นภาพแน่นอนถ้า ม, มีใครผ่านมาข้างหน้าหรือผ่านไปดูทางไหนแล้วมันก็เป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของแสงเป็นเรื่องของภาพที่มันจะผ่านมา คืออายตนะที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐบัติธรรมรมมันมีมาแน่เราเรามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่าไปคาดหวังว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะดับไปหายไปเลยมันไม่เป็นหลูกฟังมันเป็นมายังไงมันก็เป็นไปอย่างนั้นมีเหตุมาอย่างไงพุนมันก็เกิดตามไปอย่างนั้นแต่ที่เรากํำลังสร้างกําลังทํากําลังพัฒนาอยู่นี่ คือสัมมาวายามะและสัมมาสติด้วยอุบายอย่างไรด้วยอุบายอย่างไรจึงจะอยู่ให้มีความวิเวกได้บ้างให้ยินดีในความสุขให้ยินดีในความปีติให้ยินดีในความสงัดให้หาจุดนี้ให้เจอจะหาเจอได้ต้องใช้ความเปลี่ยนคือสัมมาวายามะก็ราพยายามทำความดีไง ในช่องทางใจของเราเนี่ยบุฟังมันมีจุดที่มันสงบอยู่หลายจุดเอาหาสักจุดหนึ่งได้ไหมจุดที่ในช่องทางใจของเราเออบางทีเราคิดเรื่องนี้โอ้โหคิดเรื่องลูกนี่โอ้โกกกังวลใจบางทีนะหรือเอาในช่องทางใจมันมีความคิดเรื่องงานคิดเรื่องงานเนี่ยบางทีก็กังวลใจกลุ่มใจ เ, เดีวช่องทางใจมีความคิดเรื่องการเมือง โอ้การเมืองคนเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องกฎหมายโอ้นั่นก็อีกเหมือนกันเดี๋ยวบางีคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องเพื่อนบ้านมันมีหลายอย่างในช่องทางใจนี่เสียงด้วยภาพด้วยมีเยอะในจุดต่างๆหลายๆจุดที่มีอยู่ในใจเราเนี่ความคิดบ้างความรู้สึกบ้างอารมณ์ต่างๆบ้างมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่มันมีความสงบอยู่ หาให้เจอหาให้เจอความพยายามนั้นคือสัมมาวิมาเล็งเอาไว้เล็งเอาไว้อยู่ตรงไหนอยู่ไหนคัดเลือกเลือกเฟ้นตรวจหาการคัดเลือกเลือกเฟ้นตรวจหาสังเกตดูเพ่งเฉพาะเข้าไปพวกนี้คือสัมมาสติไง่ายเรากำลังใช้ความเพียรตรวจหาสมาธิให้เจอตรวจหาคือสติ ความเพียรคือวายามะความสงบอยู่ตรงไหนความสงบอยู่ตรงไหนพอเจอแล้วนั่นจึงจะค่อยเป็นสมาธิตอนนี้เจอหรือยังมันไม่ได้เป็นก้อนไม่ได้เป็นอะไระต้องมาฟังแล้วมันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองหรือว่าสีใสใสหรือว่าสีขาวที่ซ้ำไม่ได้เป็นสีไม่ได้เป็นก้อนไม่ได้เป็นสี ไม่ได้เคลื่อนที่ยึกยากพุกวะไม่ได้เป็นความคิดนึกเราก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปเที่ยววิ่งหาตามตาตามหูหรือตามกายตามใจไปหาเสียงหาภาพไม่ใช่แต่เมื่อไหรก็ตามนะดูฝั่งที่เรากำหนดให้มันจะอยู่ตรงไหนนะ้าความสงบนี้เรากำหนดขึ้นใช่ไหมหาขึ้นเนี่ยเหมือนอยู่ตรงนั้นเลยตรงนั้นคือตรงไหนทำไมใัไม่เห็น เพราะเวลาที่เรากำหนดดูลมหยใจนะลมหายใจนะอยู่ไหนคุณอยู่ตรงนั้นแหละมันเข้ามันออกอยู่เราสังเกตอยู่ในที่ตำแหน่งเดียวใช่ไหมคือด้านในโพรงจมูกนี่จิตของเราที่มันจะพลอยเคลื่อนวุ่นวายไปตามเสียงผ่านทางหูความคิดมันมีมาแน่งที่ว่าผ่านทางใจหรือภาพกลิ่นรสผ่านทางตาทางจมูกทางลิ้น ความที่จิตมันจะเผลอไปเปลินไปเนี่ยมันลดลงไม่ว่าอย่างนั้นเพราะมีความไม่เพลินเี่ยเพราะมีความไม่เพลิอมีความไม่เปลินความไม่เปลินไม่เปลินนั้นคือสติไงไอ้ที่เราตั้งใจว่าไอ้มันอยู่ไหนนะ้าในช่องทางใจของเราเนี่จิตที่มันจะเพลินไปตามเสียงภาพความคิดอื่นๆที่ผ่านมามันจนลดลงความเพลินจะเบาบางลง ความเพลินเบาบางลงหมายความว่าจิตที่จะไปสะดุ้งสะเทือนตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกเสียงบางภาพบางนั้นก็จะเบาบางลงความที่จิตเพลินไปเบาบางลงสะดุ้งไปลดลงจิตมันก็จะค่อยระ ง, งับลงระ ง, งับลงไงความที่จิตค่อยระ ง, งับลงระ ง, งับลงจิตนั้นจะเป็นอารมณ์เดียวง สิทิที่เป็นอารมณ์บัเดียวมันก็คือเป็นสมาธินั่นแหละสมาธิก็จะเกิดขึ้นไงทุกฝั่งจากสติที่เราตั้งไว้อาศัยความเพี่ยนในการลงมือทำความสงบที่เราหานี่มันจะปรากฏขึ้นมาเลยคือไม่ได้ทียว่าต้องเหมือนกับทางกายเดี๋ยวไปหามุมนั้นเดี๋ยวไปหาซอยนี้เดี๋ยวไปหาที่ตำบลโน้นเอ๊ลิ้นชักนี่มีไหม หรือที่เกนี่ที่ฉันโน้นมันไม่ได้ไปหาอย่างนั้นมันเกิดในลักษณะของรูปลักษณะของสิ่งของที่จับต้องได้มี t ท m e and space คือมีเวลามีสถานที่แต่เรื่องของนามนูมฝังคือความส ง, งบความคิดมันไม่ได้ไปหาตามมุมตามอะไรอย่างนั้นแต่ความคิดคุณต้องหาในธรรมารม อารมณ์อยู่ไหนในใจใจไม่ได้เป็นโคอิเดเนตเป็นไทม์เป็นสเปซเป็นน้าสิ่งที่เป็นน้ำมันปรากฏมีได้ตามเงื่อนไขปัจจัยหายไปได้ตามเงื่อนไขปัจจัยเงื่อนไขปัจจัยมีมันก็ปรากฏขึ้นมาเงื่อนไขปัจจัยหายไปมันก็ดับไปมีมาหายไปปรากฏขึ้นเสื่อมไปเป็นอย่างนี้ตามเห็นเงื่อนไขของมัน ในที่นี้ถ้าเราไม่มีอุบายไม่มีเครื่องมือไม่มีวิธีการที่จะทำความวิเวกที่จะทำความปีติเกิดจากวิเวกให้เกิดขึ้นปีติเกิดจากวิเวกมันก็ไม่มานะก็คือจะหาไม่เจอไงแต่ถ้าเรามีอุบายมีเครื่องมือมีวิธีการที่จะทำปีติ คือความอิ่มเ อ, อิบใจความสบายใจที่เกิดจากความวิเวงให้เกิดขึ้นได้เราก็จะหามันเจอไงจะหาความอิ่มเ อ, อิบใจความสบายใจที่เกิดจากในภายในให้มีขึ้นได้ตั้งสติไว้ดูฝังสงเกตดูลมไม่ต้องตามเสียงขบข้าไม่ต้องตามเสียงคนอื่นไกลๆจะเป็นเสียงนกเสียงคนข้างบ้านเสียงรถอรไต่าง ไม่ต้องตามกลิ่นจะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นมันธรรมดาไม่ต้องตามความคิดความคิดมันมีม า, ร, ารับรู้มันธรรมดาเสียงบ้างกลิ่นบ้างความคิดบ้างเรารับรู้ได้แต่ก็ไม่ลืมหลมจังหวะที่เราไม่ลืมหลมสติตั้งไว้ทันทีเพราะความไม่ลืมนั่นคือสติความไม่เลื่อนั่นคือสติ สิ่งที่น่าแปลกน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเราใส่ใจไปในเรื่องอะไรนะทุกฝังสิ่งนั้นมันจะมีกําลังขึ้นมาเราไม่ใส่ใจไปในเรื่องอะไรนะทุกฝังสิ่งนั้นมันก็อ่อนกําลังไปตอนนี้เราใส่ใจอยู่กับลมอะสติก็มีกําลังมากขึ้นตามกระบวนการของอาณาปานาสติเราไม่ใส่ใจอยู่กับความคิดอื่นๆเมือว่าจะความคิดเสียงภาพนะมันจะมีอารมณ์ มาด้วยกันเสมอกับภัษานั้นๆั้นเช่นถ้าเราคิดเรื่องลูกบ้างคิดเรื่องเพื่อนบ้างคิดเรื่องการเมืองมันก็จะมีอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างหรืออารมณ์เครียดบ้างสบายใจบ้างติดมากับเรื่องนั้นๆเสมอเสมอทุกอย่างมีอารมณ์มีความรู้สึกติดมาด้วยเสมออาจจะเป็นกลางกลาง อา จ, จะเป็นบวกอาจจะเป็นลบมีโลหมายใจก็มีที่ติดมา ก, กับมันก็คือสตินั่นไงพระพาก็มีที่ติดมา ก, กับท่านก็เป็นพุทธานุสติไงธรรมะเรื่องราวคําสอนต่างๆก็มีที่ติดมา ก, กันนั่นก็คือธ ร, รมานุสติไงบางทีเราคิดถึงครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบ คิดถึงท่านเหล่านั้นอารมณ์ที่ติดมาด้วยก็เป็นสังขารสติไงความระลึกได้พวกนี้เป็นสติเป็นสติก็รือเป็นอนุสติสิบอย่างตอนนี้เราพัฒนาเจริญกระทําอานาปานาสติยูหรือมาสังเกตดูลมสติของเราก็มีกํำลังมากขึ้นใช่ไหมละ่พะพอเราจดจ่อใส่ใจอยู่ลมความคิดอื่นมีไหมมี แต่ไม่เปลอไม่เพลินตามไปเพราะเราไม่ตามไปในสิ่งไหนสิ่งนั้นอ่อนกำลังเราตั้งจิตไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นมีกำลังทรรมาร่มก็อ่อนกำลังสติก็มีกำลังเพราะเราใส่ใจไว้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือสติก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคือความเพลินไปตามเสียงตามภาพก็ลดลงเพลินลดลงใช่ไม ออกุศลธรรมลดสติคือกุศลธรร ม, มเพิ่มใช่ปะการที่เกอกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มเนีู่ฟังมันคือสัมมาวายามะไงคือการทําความเพียรแล้วเป็นความเพียรทางจิตเป็นความเพียรในภายในไม่ได้บบบ้าต้องกายให้มันเหนื่อแตกหรือนี้ไม่ได้ขยับอะไรนั่งอยู่เฉยก็เหงื่อแตกนะทูฟังมันร้อนร้อนมากๆนั่งอยู่เฉยเหนื่อยยังแตก เอาทำไงเงมนก็ททำจิตใจให้เย็นก็นแล้วกันทำจิตใจให้เย็นทำยังไงทำความเปลี่ยนทางใจทำความเพียนทางใจเหงื่อไม่แตกนะทำความเพียนทางใจคืออากุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มอากุศลธรรมคือความเผลอเพลินไปตามเสียงตามภาพตามอากาศตามความคิดลดลงให้มีสติอยู่กับลหมหายใจ ไม่ลืมไม่เผลอไม่ลืมไม่เผลอนั่นก็เป็นสติเพามันก็เพิ่มขึ้นสติมีกําลังมากขึ้นไงความเผลอลดลงสติมีกําลังมากขึ้นพะเราทำความเพียรให้กุศลธรรมเพิ่มไปจนถึงค่าหนึ่งนะมันจะมีสักค่านี่พะเราทำความเพียรให้อกุศลธรรมคือความไม่ดีในใจของเรามันลดลงไปจนถึงสักค่านี่มันจะมีสักค่าน ถ้าหนึ่งจุดนั้นที่กุศลธรรมเพิ่มอะกุศลธรรมลดเราจะรู้ถึงความที่ว่าเออมันมันสบายใจนะอยู่ในภายในเนี่ยนิ่งๆเนี่ยเออมันสบายใจนะเหมือนสุขแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะอะาจจะเปรีบเทียบนะเชื่นว่าถ้าเราบางทีชอบดนตรีประเภทนี้ บางคนจะชอบฟังหมอลำใช่ไหมพ ม, มีเสียงหมอลาขึ้นเนโอ้ยแฮปปี้ละชอบละยิงจะเป็นวงที่ชอบบางคนชอบฟังเพลงรักบางคนชอบฟังเพลงคลาสสิกหรือฟังเพลงยุคเก8 0ดบางคนชอบฟังเพลงแัปแหมจะมีเพลงที่เราชอบมานะเออมันค่อยฟังสบายหูหน่อยใช่ไหม มันคือความสุขที่อาศัยเสียงเป็นเครื่องล่อผ่านทางหูหรือบางคนบอก ว, ว่าฉันต้องไปกินอาหารประเภทนี้เขอกโอร้านนี้นี่สุดยอดมากต้องกินก่อนตายนะโอ้อาหารนี่ไม่ว่าจะต้มผัดบ้างผัดผักบ้างทอดผักบ้างใดกินแล้วแม่มันอร่อยลิ้นมีความสุขดีสุขเ่านี้ทั้งหมดตูบฟังความสบายใจความอิ่มเ อ, อิบใจเมื่อทีมันเกิดขึ้นได้ แต่นั่นอาศัยเครื่องล่ อ, อเรียกคือเป็นปีติชนิดที่เป็นอา mith คื อ, อยต้องอาศัยสิ่งอื่นมาล่อรสมาล่อผ่านทางลิ้นเป็นอาหารเสียงมาล่อผ่านทางหูเป็นดนตรีกลิ่นมาล่อผ่านทางจ ม, มูกเป็นกลิ่นของหอมเป็นกลิ่นดอกไม้เหล่านี้เป็นเครื่องล่อ ศาสา่แล้วเกิดความสุขแบบนี้ไม่ดีใาสา่แล้วเกิดความสบายใจต้องให้คนนั้นมาพูดกับเราอย่างนี้ไม่ดีคือจะว่าไม่ดีโดยส่วนเดิมก็ไม่ได้ถูงฟังมันก็มีความดีไงทำไม้เรามีความสุขทำให้เราสบายใจใช่เปะละ่ะแต่ว่าข้อเสียมันมีมากกว่าตรงดีว่าถ้าเขาไม่ได้มาพูดกับเราอย่างนี้หรืออาหารที่เรารับประทานอามันมมันมีทรายปนลงไป เสียงที่เราได้ยินแหมบางทีมันก็เบาไปดังไปแม้จะเป็นข้อความที่ดีมันยังต้นขึ้นกับปัจจัยภายนอกไงท่านผู้ฟังความดีมันก็มีความเสียเหมือนกันมาบุกรบกันแล้วไม่คุมคือไม่เหมาะสมแต่ว่าถ้าเราอาศัยปีติสุขในภายในนี่คือเปรียบเทียบห้ดูนะว่าถ้าเกิดจากในภายในไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นภายนอก าที่เกิดจากในภายในไม่อาศัยสิ่งอื่นภายนอกไม่ต้องอาศัยขคอเรื่องล่อเหล่านั้นเป็นในภายในนี่เขาเรียกว่าไม่ต้องมีเคเรื่องล่อเป็นนิรามิตรเป็นปีติชนิดที่เป็นนิรามิตรคือเกิดจากในภายในในภายในในที่หมายถึงกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมลดลงยังไงนะ อะไรล่ะกุศลธรรมที eker, ่มันเพิ่มสติไงสติอะไรล่ะกุศลธรรมที่มันลดลงความเพลินไงความเพลินความเผลอความไม่ใส่ใจมันลดลงลดลงตรงไหนนะก็ตรงที่มาสังเกตลมนั่นแหละสังเกตลมปุ๊บความสังเกตนั่นคือสติตันทีสังเกตปุ๊บความเพลินไปตามเสียงตามภาพตามความคิดความคิดมันมีใช่ล่ะเสียงมันมีใช่มล่ะแต่เราเพลินลดลงอะ ถ้าเราไม่มีเสียงไม่มีภาพดูดิมันจะไปเพลินได้ไงมันก็ไม่ไปเพลินตามเสียงตามความคิดละถ้ามันไม่มีความคิดมันไม่มีเสียงใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเราทําสมาธิในที่ที่เราได้ยินเสียงทําสมาธิในขณะที่เรามีความคิดเนี่นะมันดีด้วยซ้ํำนะทุกฝั่งเพราะมันเป็นตัวที่ทําให้อกุศลธรรมของเราลดลงได้นะเพราะพอมีความเพลินไปตาม ความคิดนึกใช่ไหมมีมามีความเพลินไปตามเสียงใช่ไหมที่ได้ยินอยู่เนี่ยแล้วเราตั้งสติไว้เพลินลดลงทันทีนะสติเพิ่มขึ้นทันทีนะกุศลธรรมเพิ่มอ่ะกุศลธรรมลดลงจนถึงค่าหนึ่งมันมีอยู่ตรงนี้แหละที่ทำไปเรื่อยๆไงมันจะมีค่าหนึ่งนั้นของมันยูจิตใจแต่ละคนไม่เหมือนกัน ค่าหนึ่งนั้นอยู่ตรงไหนอ่ะมีอยู่มีอยู่ให้มั่นใจตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราทําแป๊บๆนี่ก็ดูมาสามลมแล้วนี่สามลมนี่มันพอนาทีแล้วปะถัวมันไม่พอสามสิบวินาทีเลยเอาก็นั่นแหละดูมาสามลมแล้วทำไมยังไม่เจอมันจะมีค่านหนึ่งของมันอยู่แต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็ห้านาทีบางคนก็สามนาที บางกนก็เป็นชั่วโมงบางคนอาจะหลายสิบปีแต่ค่าหนึ่งที่ว่าเนี่ยเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันเป็นชั่วโมงเป็นนาทีหรือเป็นวินาทีก็ตามนะตัวเลขเนี่ยมันคือเวลาไงแต่วลามันเป็นเรื่องของกายเนะี่ยเป็นเรื่องของรูปเนี่ยเอาแต่ใจคือนามันไม่มีเวลาไงถ้าไม่มีเวลาไม่เกี่ยวกับสถานที่ เพราะมันเป็นเรื่องของนามคือสติคือความเพียรแสดงว่าเวลาที่มีมันคือเดี๋ยวนั้นไงทุกฝังเดี๋ยวนั้นตอนนั้นเนี่ยนะเราเลิกถึงลมได้สติเกิดตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวนั้นตอนนั้นเราไม่เพลินไปตามเสียงตามภาพถึงแม้ได้ยินก็ตามความไม่เพลินคือสติก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นความเพลินความเผลอกลดลงตรงนั้นตรงนั้น ควาเพลินความเพล่อลดลงไม่ใช่ว่าเราไม่รับรู้นะมันจะมีความสามารถในการที่จะแยกแยะปัญญาก็เกิดตรงนั้นตรงนั้นขึ้นทันทีหมายความว่าไงนะสา ม, มัญการหนึง่งนะทุกฝังนะพอเราสังเกตลมใช่ปะโอเคสิ่งสติใช่ไหมะละ่ะสังเกตนะไอ้ความเพลินจะไปตามความคิดกดลดลงใช่ไหมะละ่ะโอเคอันนี้เข้าใจละแต่ไม่ใช่ว่าเรารับรู้สิ่งนั้นน้อยลงนะเอาเสียง น, นี้เป็นต้น แต่จะมีแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ไม่ไกลจากหูเราเราได้ยินอยู่นี่เราตั้งสติไว้ความเพลินไปในเสียงนั้นลดลงแต่เสียงไม่ได้เบาลงใช่หเสียงไม่ได้เบาลงการรับรู้เสียงนั้นก็เราก็มีอยู่อันนี้เราจึงจะเริ่มแยกแยะได้ทันทีว่าอ๋อเพลินนี่ก็อันหนึ่งนะสตินี่ก็อันหนึ่งนะเข้าใจละแล้วผู้ที่ไปรู้เสียงนั้นคือวิญญาณ ก็อีกอันหนึ่งนะเสียงนั้นก็อีกอันหนึ่งด้วยความคิดนึกคือธรรมารมก็อย่างหนึ่งนะผู้ที่ก็ไปรู้ความคิดนั้นก็อีกอย่างหนึ่งนะนี่คือวิญญาณนะมโนวิญญาณความเพลินไปตามความคิดแล้วก็อย่างหนึ่งนะแล้วสติที่ตั้งไว้อยู่กับลมก็อีกอย่างหนึ่งนะสติก็อย่างหนึ่งความเพลินก็อย่างหนึ่ง ธรรมารมก็อย่างหนึ่งมโนวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งแยกแยกได้บราอะไรประตังสติวไว้หนิไงปัญญาก็อยู่นั้นเลยไงความเพียรก็อยู่นั้นด้วยสติก็อยู่ตรงนั้นทันทีเลยไม่ขึ้นกับเวลาไม่ขึ้นกับสถานที่ทำเดียวนั้นได้เดียวนั้นเหมือนฝนตกเนี่ยทุกฝังฝนตกเม็ดหนึ่งมันเปลียงไหม อ๋อมันก็เป็นความชื้นก็เป็นน้ําก็เป็น H2O ไงท่านมันก็ต้องเปียกอะดิเมืแต่ฝนตกเม็ดเดียวไงมันก็ไม่ได้เปียกเป็นบริเวณกว้างใช่ไหมละ่ะแต่ฝนตกเม็ดหนึ่งฝนตกสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดด้วยเอ้าฝนที่ไหนตกเป็นสองเม็ดสาเม็ดให้ฝนมันตกเป็นหาใหญ่มาเลยไม่ว่าฝนจะตกสองสามเม็ดหรือตกเป็นหามันก็ตกทีละเม็ดเหมือนกันน่ะถูกปะละ่ะมันไม่ได้มาเป็นขันไง ขนาดของเม็ดมันนี่ขนาดของเม็ดฝนไม่เดียวว่าเท่าโองแดงไม่ได้เท่าทังสองร0อลิตรแต่มันทีละเม็ดน้อยนิดแต่มันมากมากนี่หมายถึงมันมาต่อเนื่องมันหลายเม็ดเม็ดนึงไม่ใหญ่แต่มันหลายเม็ดเช่นเดีวยวกันเราสังเกตดูลมหายใจนี่ไม่ได้อะไรมากเลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้มีความเพียรมีสติก็เท่านั้นแหละ ทีละน้อยละน้อยแต่เอาให้มันบ่อยให้มันเยอะให้มันมากเอาน้อยแต่ได้มากไงทุกท่านสมาธิสตินี่มันจึงมีค่ามากเริ่มทำจากน้อยๆเราสังเกตดูลมนี่แหละท่านเบรยว้เหมือนกับเวลาที่ฝนตกลงบนภูเขาฝนตกลงที่ภูเขาทีละเม็ดละเม็ดแต่ตกอยู่เรื่อยตกไม่หยุด จะทําให้ซอกเขาซอกผาลําห้วยทั้งหลายมันเต็มขึ้นมาซอกเขาซอกผาลําห้วยเต็มแล้วก็ทำให้บึงน้อยเต็มขึ้นมาบึงน้อยเต็มแล้วฝนยังตกอยู่ไม่หยุดนะบึงใหญ่ก็เต็มขึ้นมาบึงใหญ่เต็มแล้วฝนยังตกอยู่นะไม่หยุดนี่ก็ทําให้แม่น้ําน้อยเต็มขึ้นมาแม่น้ําน้อยเต็มแล้วก็ทำใหแม่น้ําใหญ่เต็มขึ้นมา ม่น้ำใหญ่เต็มขึ้นแล้วก็ทําให้มหาสมุทรเนี่ยมันเต็มขึ้นมาไล่เรียงกันมาอาวไทยมีแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําบางปะกงนี่แหละเป็นแม่น้ำใหญ่ไหลลงแม่น้ําเจ้าพระยาก็มีแม่น้ําปิงแม่น้ํำนา น, นี่แหละไหลมาปิงเนี่ยก็มียมด้วยหน้านี่ก็มีวังด้วยเป็นปิงวังยมนานมาจากไหนโน่นภาคเหนือ ภาคเหนือฝนตกมีหุบเขาต่างๆบางทีเขาก็ไปสร้างเขื่อนหนึ่งก็เป็นบึงใหญ่บางทีก็มีบึงน้อยเขื่อนน้อยก็มีฝนมันตกมันก็เต็มขึ้นเต็มขึ้นน้ําเต็มขึ้นเต็มขึ้นไล่ไปไล่ไปเหมือนกันดูฝั่งนี้คืออุบายอุบายในลักษณะที่จะทจําจิตเราสะสมสติสะสมความเพียร สะสมปัญญาขึ้นทีละน้อยละน้อยมันมากได้สะสมสติสะสมความเพียรสะสมปัญญาณนะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ทีละเม็ดละเม็ดกลายเป็นมหาสมุทรขึ้นมาได้นะสะติความเพียรปัญญาเราสะสมทีละน้อยละน้อยเป็นชั้นสีได้นะประกอบกันแล้วเป็นวิชาวิมุตติได้นะอุบายอย่างนี้นะ ตามการอันควรนันว่าตามการอันควรกาเลนะกาหลังการอันควรมันเวลาไหนเวลาที่เรามีลมนี่ไงแต่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือตามเวลาที่เรามีลมหายใจให้ยใจเข้าหาใจออกอยู่เวลานั้นแหละสามารถทําความวิเวกได้สะสมได้ไปสะสมที่ไหนเหมือนน้ํามันสะสมที่ไหนหละ่ะ ถ้าน้ำหยดเดียวตกลง ม, มันระเหยไปได้ง่ายแต่ถ้าน้ําหลายๆหยดรวมกันเป็นขันรวมกันเป็นโอง่งรวมกันเข้าเป็นบึงรวมกันเข้าเป็นเขื่อนเป็นทะเลสาออย่างงี้นะไอ้ที่มันมีมามากมันก็ลดลงไปน้อยรวมกันอยู่มากมันก็สูญเสียไปน้อยการสะสมสะสมของน้ํา ช่วยรักษาซึ่งกันและกันเหมือนกับว่าเราฝากเงินไว้ในธนาคารนี่แหละท่านฟังดอกเบีย้ยมันก็มีดอกเบีย้ยเราไม่ได้ถอนออกมันก็ทบต้นทบต้ น, ท, ตนที่ได้ยิ่งฝากเข้ายิ่งฝากเข้าเวลายิ่งผ่านานานเข้านา น, านเข้าอัตราการเติบโตอัตราการก้าวนั้นมันยิ่งดีขึ้นดีขึ้นการสะสมตรงนี้แหละทุง่งังมันสะสมที่จิตของเราไง เราสะสมความเพียรเราสะสมสติเราสะสมปัญญาจากการที่เรามาดูลมหายใจสะสมเข้าที่จิตสะสมเข้าที่จิตมันเป็นอัตราก้าวหน้านะ่ะดอกเบีย้ยเนี่ยได้รับทบต้นทบต้นตลอดนะ่ะทบต้นขึ้นไปผลที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันจะหาประมาณไม่ได้เลยนะเป็นอนเนกนันนี่นนะ การแทงตลอดซึ่งธาตุอันอันเนกจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราสะสมความเพียรเข้าไปในจิตของเราสะสมสติเข้าไปในจิตของเราแยกแยะสังเกตเห็นสิ่งต่างๆได้นั่นเป็นปัญญาของเราโดย ส, สติที่เราสร้างความเป็นที่เราสร้างผลที่จะเกิดตามมาอันดับแรกก่อนคือความที่จิตนั้นจะระงรับลงระงรับลงความที่จิตระงรับลงนั้นก็คือเป็นปัสจุ เป็นความสงบระงับเป็นความสงบระงับชนิดที่เกิดขึ้นในภายในไม่ต้องอาศัยสิ่งอรื่องเป็นเครื่องร่อปีติอันเกิดจากวิเวงนะทุกฝังเหมือนจะเป็นทางผ่านให้เราเห็นได้ว่าโอ้สมาธิความสงบที่ลึกซึ้งต่อไปกว่านี้มีอยู่นะเบื้องต้นนี่เหมือนจะมีความสุขในภายในสุขที่เกิดจากยิมเงียบไม่ต้องวุ่นวายกับใคร อยู่เฉยๆชิวๆไม่ต้องมีเสียงไม่ต้องมีอาหารไม่ต้องมีกลิ่นแต่ความร้อนความเย็นอย่างไรใจิตใจเรามีความวิเวกมีความหลีกเร้นมีใจิตใจสงบอยู่ได้พระพุทธเ า, ากล่าวไว้ถูฟังว่าเพราะสงัดจากกา ร, รสงัดจากอากุศลแต่ำทั้งหลายมีความคิดนึกบ้างมีเวทนาบ้างอะไรต่างๆแล้ว แม่แต่ว่ามันหิ่มเอิบใจสุขใจอยู่ในภายในนะ่ะท่านพระสารีบวตรชงเสริมขึ้นมาตรงนี้หลยคังว่าคนที่จะเข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขไม่มีความนะวาทุกข์นะสุขกัเวทนาทุกเวทนามันก็มีตามปกตินั่นแหละแต่สุขหรือทุกข์ที่เกิดจากอกุศลไม่มีสุขหรือทุกข์ที่เกิดจากกามไม่มี อาทำ ไ, ไมไม่มีเราก็บอว่าอากุศลและการ ม, มันดับไปแล้วไงแล้วอะไรเป็นสุขหรือทุกข์ที่เกิดจากกรรมกามนี่มันก็คือความกำนังเปิดเปล่นพอใจลุ่มหลงไปในเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตาจมูกลิ้นและกายห้าอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นช่องทางให้รูปเสียงกลิ่นรสผลิธธภัณฑ์ มาแล้วมีความเพลิน ม, มีความพอใจนั่นคือกรรมมีความเพลินความพอใจคือกรรมในสิ่งที่เป็นกราร ม, มาวาัตถุเอา้าก็ในเมื่อเราไม่ได้จะไปยินดีสิ่งนั้นและไงเวลาพอเราไม่ได้จะไปยินดีสิ่งนั้นสุขเวทนาที่เกิดขึ้นจากกรารมมันก็ไม่มีเพราะเราละสุขเวทนาได้นะทุกขเวทนาเราก็หายไปเหมือนกันเพราะเป็นเวทนาเหมือนกันพะเราละกามได้นะสุขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากกรารมก็าหายไปไง อากุศลธรรมเช่นหว่าความคิดในทางเบียดเบียนเขาความคิดอิจฉาริษยาเขาหรือความคิดที่จะพยาบาทป่งร้ายเขาอากุศลธรรมเหล่านี้พวกเราไม่ได้คิดยังไงไงหายไปด้วยคิดเรื่องก็รูลมหมใจอย่างเดียวอาจจะมีความคิดนึกอื่นผ่านมาเรื่องลูกบ้างเรื่องงานบ้างแต่ไม่ได้จะคิดประทุษร้ายใครไง ความที่เป็นอกุศลไม่มีสุขหรือทุกข์ที่อาศัยอกุศลนั้นมันก็ไม่เกิดเพราะาต้นเรื่องมันไม่มีมาสุขหรือทุกข์ที่จะอาศัยอกุศลธรรมไม่เกิดสุขหรือทุกข์ที่อาศัยกามก็ไม่เกิดหรืออะไรทีนี้ก็เหลือกุศลอยู่นะทุกฝ่ายในเมื่อกามดับไปอกุศลดับไปก็เหลือแต่ความคิดที่เป็นกุศลอย่างเดียว ความคิดที่เป็นกุศลอย่างเดียวนั้นก็เรียกว่าเป็นวิตกวิจารดมฟังไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความคิดเลยนะความคิดมีอยู่แต่เป็นความคิดที่เป็นกุศลแล้วคำถามคือแล้วความคิดที่เป็นกุศลมันจะให้ทุกได้เหรอเออมันก็ต้องให้สุกไงคือสุกมันมากทุกมันน้อยเอาแล้วถามว่าอากุศลเนี่ยมันให้สุกได้ไหมสุขกเวทนาที่เกิดจากากุศลคือเช่นคนทาไม่ดี ข้าสัตว์บ้างโกงบ้างแล้วมีสุขเพินามีนะทั้งฝั่งมีมีแน่นอนเราเห็นอยู่ได้ในปัจจุบันบางทีเราด่าคนอย่างเงี้ยเรารู้สึกสะใจดีใช่ไหมล่ะเออหนึ่งเป็นสุขุพิธนาไงจากการด่าคนนะ่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศล น, นะมันก็เป็นอกุศลแล้วทําไมมีสุขุพิธนาจากอกุศลได้เป็นไปได้เหมือนคุณดื่มคเครื่องดื่มที่มีรสหวาน กลิ่นหอมสีสวยแต่ก็ใานาเจอด้ยาพิษนะตอนดืนมันก็แฮปปี้ไงแต่มันเป็นอกุศลไงเป็นสิ่งไม่ดีอกุศลให้เกิดสุขได้ก็มีแต่ว่าอากุศลเราไม่มีแล้วสุขหรือทุกที่ที่จะเกิดจากอกุศลเราก็าไม่ต้องพูดถึงเ็งมันก็ดับไปหรืออะไรเพระถ้าอากุศลดับไปกรรมดับไปก็เหลือสิ่งที่เป็นกุศลนั่นเอง สิ่งที่เป็นกุศลก็ให้เกิดสูงแน่แล้วทุกข์ของกุศลมีไหมมีแต่น้อยตรงไหนตรงที่มันไม่เที่ยงไงกุศลธรรมก็ไม่เที่ยงนะทุ่ฝังเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มันมีมาเช่นสติเช่นความเปลี่ยนเป็นต้นอย่างนี้มันก็ไม่เที่ยงไงเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะดับไปไม่ได้ ดับไปได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทุกอย่างดับไปได้แต่ที่นี่เราจึงต้องคอยประกอบประงมสิ่งที่มันจะให้ประโยชน์ในปัจจุบันและในเวลาต่อๆไปเราจึงจะต้องกำจัดสิ่งที่มันจะเป็นโทษในปัจจุบันและในเวลาต่อๆไปออกไปกำจัดสิ่งที่เป็นโทษสร้างสมสะสมสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสองอย่างไม่เที่ยงมอนกัน ในกรณีนี้เราจึงต้องรู้จักแยกแยะไงทุกังแยก แ, บบแยะคือสังเกตดูสังเกตดูมันก็เป็นสติมันก็เป็นปัญญาดูอยู่รู้ให้เห็นสะสมไว้สะสมไว้ในจิตของเราตามการนันควรตามการนันควรคือตอนนี้สะสมไว้แล้วสะสมไว้แล้วสุขที่เกิดจากกุศลจะมีสุขทุกข์ที่เกิดจากการมจะไม่มี สุขทุกข์ที่เกิดจากอากุศลจะไม่มีเหลือไว้แต่สุขที่เกิดจากกุศลเท่านั้นแลวสิ่งภายนอกทนะี่ฟังมันจะเป็นยังไงนะเราสบายเลยเพราะว่าจิตที่มีปีติหมายถึงความมีเมื่บใจความสบายใจในภายในเมื่อต้องพึ่งสิ่งภายนอกความสะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงมันจะลดลง ก็เหลือมันจึตึงกับไม่มีเลยด้วยซ้ำผนจะตกแดดจะออกสถานการณ์การเมืองสิ่งววดล้อมเศรษฐกิจกผู้คนจะเป็นยังไงจิตใจเราสบายได้ไม่ใช่ไม่รับรู้เรื่องโลกเลยนะก็รับรู้ธรรมดาเนี่ยแหละแต่รู้จักแยกแยะได้มีสติเป็นขึเรื่องสังเกตมีปัญญาเป็นเรื่องรู้มีสมาธิเป็นนเรื่องอยู่มีความเพียรมีศรัทธาเป็นกาลัง อินทรีห้าเราก็เจริญขึ้นมาอินทรีห้าเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้ธรรมไงอินทรีห้าเจริญมีความแก่กล้าขึ้นมาก็ตรัสรู้ธรรมได้เร็วคำว่าได้เร็วนั่นหมายถึงร้อยตัดมันจะคมเวลาที่เราตั้งสติไว้อยูกับลหมหายใจนั่นคือสติความเพียรที่เราใส่ลงไปในการตั้งสติไว้นั่นคือวิริยะ เวลาที่จิตเราสงบระ ง, งับลงแล้วนั่นเป็นสมาธิมีสมาธิแล้วเรารู้จักแยกแยะเห็นสิ่งต่างๆได้ตามี่มันควรจะเป็นวันนี้คือวิญญาณนี้คือสตินี้คือความเพลินนี้คือความคิดนึกแยกแยะต่างๆนั่นคือปัญญามีปัญญาแล้วเราก็จะเข้าใจในทางคำสอนของรพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น ว่าอ๋อที่ท่านบัญญัติไว้ข้อนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้มีความเข้าใจเนี่ยมันมีความมั่นใจไงคนเรามีความมั่นใจได้จากความเข้าใจความมั่นใจนี่คือสตาโอ้ที่ท่านให้ฝึกให้ทำให้ปฏิบัติมันสะสมมันเป็นอย่างนี้ความมั่นใจนี่คือสตธาช่เวลาสตาคือความมั่นใจความลงใจความเลื่อมใส ทำตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกผลจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ทําทําไปความมั่นใจมันเกิดขึ้นไงตามหังพอเราเห็นผลความมั่นใจนี่คือสต่ายิ่งลงมือทําก็ไปใหญ่อาโทมันเป็นงนี้เองลงมือทําปฏิบัติเข้าไปอีกนั่นก็เป็นความเพียรลงมือทำปฏิบัติแล้วสติก็มีกําลังมากขึ้นเรสาสะสมสติเอาไว้สะสมความเพียรไว้ในจิตของเราจริตเรามีสิ่งนี้สะสมมันก็ยิ่งระ ง, งับลงระ ง, งับลง สมาดิมกันลึกซึ้งมากขึ้นอย่างไรละ่ะสมาธิลึกซึ้งมากขึ้นเรายิ่งแยกแยะอะไรต่างๆในจิตเราได้ง่ายขึ้นอยากแย่ว่าไอ้นี่วิตกวิจารนะเนี่ยไม่เอามีโทษอย่างนี้แยกแยะว่าเอ้ยนี่กรปีติแล้วเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเนี่ยมันมีโทษอย่างนี้สมาธิเราละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นการแยกแยะสูงขึ้นปัญญาก็มากตามปัญญามากขึ้นที่เราได้ยินได้ฟังมาว่าออชา้นหนึ่งเป็นอย่างนี้ชั้นสองเป็นอย่างนี้ โทษมันเป็นอย่างนี้ท่านว่าเอาไว้เรายิ่งเห็นชัดเจนยิ่งมั่นใจเต็มที่เลยความมั่นใจนั้นคือสตามีความมั่นใจมีความลงใจมีความเลื่อมใสยิ่งปรากฏสูงขึ้นเพราะเห็นประจักรด้วยปัญญาชัดเจนพอมีความมั่นใจยิ่งเป็นยังไงลงมือทําจริงแน่แน่จริงยิ่งขึ้นไปอีกมีความวิเวกทางกายมีความวิเวกทางใจจิตมันน้อมลง เพราะว่าการที่เราตั้งสเติเอาไว้น้อมลงระงับลงนั่นก็เป็นสมาธิอินรียห้าเนี่ยมันวนหลู ก, กันอยู่นี่นะวนหลู ก, กันวนหลู ก, กันแล้วมันจะมีความวิเวก ย, ยิ่งละเอียดลงละเอียดลงเราจะเห็นความดับไปเห็นความเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆด้วยปัญญาของเรายิ่งชัดเจนทพ่นจะบอกว่าพอเราจเจริญอินรียห้า อาศัยความวิเวคที่เราเกิดขึ้นจากจิตสงบระงับลงอาศัยความที่เราเห็นความมันดับไปเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆนั่นคือวิราคะนิโรธะเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นตั้งหังเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นเห็นแพทเทิร์นนี่ก็คือเห็นรูปแบบนะเห็นรูปแบบของจิตของเราว่าเป็นอย่างไรเห็นรูปแบบของสิ่งต่างๆ ว่ามันก็มีการเพียงเกิดขึ้นดับไปเห็นรูปแบบของความคิดนึกเห็นรูปแบบของเสียงเห็นรูปแบบของสิ่งต่างๆว่ามันมีความเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นรูปแบบนี่คือเห็นด้วยปัญญารูปแบบที่เราเห็นด้วยปัญญานั้นจะไม่เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายกำหนัดได้ เบอร์า ใ, ใครกำหนดแล้วไงก็จะไปเอาทำไมอ่ะลอยว่างเลยทําให้จิตของเรานั้นน้ิบไปเพื่อความสละคืนสละคืนหมายถึงมันก็เหมือนกันนี่เหมือนกันเพราะอะไรก็รูปแบบเดียวกันไม่ว่าจะกุศลหรืออกุศลไม่ว่าจะสมาธิหรือตัณหาไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องร้ายไม่ว่าจะคําชมหรือคําด่า ไม่ว่าจะสีขาวหรือสีดำไม่ว่าจะหญิงหรือชายไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์นี่มันก็ดับไปอ่ะมีแพทเทิร์นเดียวกันไม่ว่าจะบุญหรือบาปด้วยมีแพทเทิร์นเดียวกันเกิดขึ้นดับไปให้ผลสุขบ้างทุกข์บ้างเย็นบ้างร้อนบ้างเกิดขึ้นบ้างดับบ้างนี่แพทเทิร์นเดียวกันเลยเหมือนกันนไม่ต่างกันน่ะ โอ้ยงันเราจะเอาอะไรสิ่งไหนมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่เราจะมาหาสาระแก่นสารในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหะไม่ได้เราจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นสาระแก่นสารของชีวิตเนี่ยไม่ได้บุญนั้นก็ไม่ได้นะทุกฝังนะหมายถึงว่ามันมีประโยชน์อยู่โทษมันน้อยแต่เอาสาระแก่นสารจากมันเนี่ย ว่ามันจะยั่งยืนมั่นคงไม่เสื่อมไปไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราติดบุญหลงบุญยึดบุญก็คือเมาบุญนะเมาบุญนี่ก็คือขาดสติแล้วไงอุยระบาบนี่อย่าไปทำเลยนะถ้าหลงบาปติดบาปยึดบาปโอ้อันตรายอันตรายโทษมันมากประโยชน์มันน้อยประโยชน์ในปัจจุบันมีนิดเดียว โในปัจจุบันมีมากด้วยโทษในเวล า, าต่อมาแต่ว่ายิ่งมีมากอีกบุญหลักบุญนี่ประโยชน์มีอยู่มากโทษก็มีอยู่น้อยโทษอาจจะมีอยู่ตอนปัจจุบันน้อยหน่อยแต่ประโยชน์ในตอนปัจจุบันนี่ก็มากด้วยประโยชน์ในเวล า, าต่อมาแต่วันนี้ก็ยิ่งมากด้วยแต่จะมาเอาสาราโดยความเป็นของเที่ยงของยั่งยืนมั่นคงไม่ได้นะมันไม่มีสาราแบบนั้นมันเกิดขึ้นมันดับไปเป็นธรรมดา เรายังวางบุญไม่ได้มันก็จะบรรลุธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมได้เท่าที่มันได้แหละมันก็ไม่ได้เต็มไงได้บ้างแต่ไม่เต็มปัญญาเราจะให้เต็มขึ้ น, นทั้งดีทั้งชั่วเราต้องเข้าใจด้วยปัญญาทั้งสุขทั้งทุกข์เราต้องเห็นแจ้งด้วยดวงตาทั้งจะชมชดาเราให้ใช้แสงสว่างฉายไปเห็นตามความเป็นจริง จิตใจเราเนี่ยมันจะวิเวกมันจะหลุดพ้นมันจะสลัดคืนจากสังสารวัตรที่มันจะวนไปแพทเทิร์นเนี่ยมันวนไปมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเราจะพ้นจากแพทเทริร์นพ้นจากวัฏฏะพ้นจากการหมุนวนนี้ได้ทุกฟังาการปฏิบัติของเราเนี่มีปัญญาเป็นระดับสูงสุดพอเราเห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็ดีละ ต่อไปให้เรากำหนดจิตจเจริญพรหมิหารสี่นี่เราจะแผ่เมตตาเป็นการปิดท้ายการทำสมาธิของเรานะทุกฟังนะเราทำจิตให้มีความวิเวกให้เห็นด้วยปัญญาฝึกความเพียรตั้งสติไว้เหล่านี้เป็นบุญเสมอให้เรานึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำมาในวันนี้จากการที่เราจเจริญสมาธและมิปัสสนาเพราะเรานึกถึงบุญกุศล จิตใ จ, ใจของเรานั้นก็จัดตั้งอยู่ได้ดีดำรงอยู่ได้ดีในภายในให้เรากำหนดจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาหมายถึงความรักความยินดีกับสรรพสัตว์ทั้งปวงให้ก็ได้มีความสุขนคือด้วยเมตตานันไม่มีเวรไม่มีปยาบาตเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวง ยังไม่มีประมาณให้แผ่เมตตาให้ตัวเองคือขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธและรักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเดิดด้วยจิตฉันเป็นไปด้วยกับเมตตา ขอให้มาดาบิดาครูอาจารย์ญาพีน้องและคนทั้งหลายขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดขอให้อรคขาเทวดาภู ม, มเิเัติวดา รุกเทวดาอากาศเทวดาขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับกรุณา ด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับมุทิตาและด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับอูเบกาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงอย่าไม่มีประมาณให้แปรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิ่ตะวันออก ที่ตะวันออกเฉียงใต้ติดใต้ทิ่ตะวันตกเฉียงใต้ที่ตะวันตกทิ่ตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือทิ่ตะวันออกเฉียงเหนือติดเบื้องบนและติดเบื้องล่างก็ให้สรตวสัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายส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 ก็ให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดมารดาทน้ำบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนแต่จันใดเตอพึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างขวางอันหาประมาณไม่ได้ในสัตทั้งปวงแม้ฉันนั้นเหมือนกัน ขอให้สัพสัต์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญขออย่าได้ประสบความชั่วร้ายใดๆเลยขออย่าได้ประสบความเศร้าโศกอันใดเลยขออย่าได้มีความทุกข์ใดๆเลยขอให้สัพพสัต์ทั้งหลายจงมีความสุข ช้งมีความเกษมช้งมีความเจริญและที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือช่วงของจิตตาวิเวกที่เป็นการฝึกทำจิตให้มีความสงบในรายการธรรมรับรุญโดยมูลนิธิปัญญาเปานากับพระมหาไพบูุ์อาภิปุณโนซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟัง ในทุกบันทังคารตั้งแต่เวลาตีห้ถึงโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงงประเทศไทยหรือในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org p a n y a .org ล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลปัน